ถ้าเบื่อแล้วอยากจะออกจากเกมนี้อยากอย่างเดียวไม่พอเพราะอยากเป็นอกุศลลาบากไหมอยากออกก็ออกไม่ได้มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนี่แหละมาบอกวิธีออกจากเกมนี้วิธีคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมี อุปกรณ์อันหนึ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ก่อนคือสติสติตัวนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้เราเห็นของจริงเห็นของจริงนะเราปัจจุบันเนี่ยเห็นของสมมติไม่จริงอย่างเช่นอันนี้ น, นี้เรียกว่าอะไรแก้วถามคนไทยทะ่ไหรก็เรียกว่าแก้วมันเลยไม่แสดงไตรลักษณ์แต่ตัวแก้วเองเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตั้งอยู่แตกดับความสิ้นสุดของแก้วนี้คือแตกไปในระหว่างที่ยังไม่แตกก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้เรียกว่าอะไรกล้วยไม้ใกล้มวย <c oughs> <c oughs> กล้วยไม้ถามฝรั่งเรียกออกขีดทุกทีถามคนไทยเรียกกล้วยไม้ทุกทีสมมุติไม่แสดงไตรลักษณ์แต่กล้วยไม้เหี่ยวลงทุกที แสดงไตรลักษณ์อยู่เสมอเวลาเราเห็นอะไรถ้าติดอยู่แค่สมมุติไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะนั้นเวลาเห็นเห็นแสงสีได้ยินได้ยินเสียงแสงสีก็ไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์เสียงก็แสดงไตรลักษณ์คำพูดเนี่ยเป็นคลื่นเสียงออกไปเกิดดับเกิดดับแสงนี่ก็เกิดดับเกิดดับแต่เราดูรูปฟังเสียงเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ยากเพราะพวกเราไม่ได้ทรงฌาน คนจะเห็นรูปและเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยจิตต้องผ่านคุณภาพระดับฌานก่อนแต่อย่าเสียใจมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถดูได้และเห็นไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์คือจิตหรือนามธรรมานามธรรมาส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสนใจเพราะเราสนใจอะไรเยนั่นเลวเยนนี่ไม่ได้เรื่องไม่สนใจอะไรคนข้างนอกตัวเอง มีความโกรธเกิดขึ้นข้างในไม่สนใจสนใจแต่ว่าเย็นนั่นไม่ดีเย็นนั่นไม่ได้เรื่องแต่คนนี้ไม่ดีหรือว่าไม่สนใจราคะที่เกิดขึ้นในใจมัวแต่บอกว่าคนนั้นสวยจังคนนี้หล่อจังคนนี้ดีจริงสนใจข้างนอกไม่สนใจข้างในสิ่งที่เราจะต้องเรียนก็คืออะไรที่เกิดขึ้นในใจเรียนของจริงของจริงที่ว่าเนี่ยคือสภาวะธรรมแทๆ้ๆล้วน จริงๆมันมีอยู่แล้วเพียงแงเข็ามาดูตรนั้นเองแงเข็ามาดูหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจอย่ามัวแต่ไปมองแล้วสนใจข้างนอกถ้าสนใจข้างนอกนะมันก็รู้อยู่แต่ข้างนอกรู้ข้างนอกสิ่งที่ข้างนอกแสดงให้เห็นเป็นของหลอกลวงไม่แสดงความจริงของสภาวะเมื่อไม่แสดงความจริงของสภาวะจิตก็ไม่ฉลาดจิตถูกหลอกไปเรื่อยๆทาไมถึงถูกหลอกเห็นและชอบ จะปรุงปรุงอะไรปรุงมากมายเลยเช่นปรุงว่าเห็นคนนี้แล้วชอบใจนะนะเห็นหนุ่มคนนี้แล้วดีชอบใจทํายังไงเขาจะทักเราบ้างทํายังไงเขาจะทักเราบ้างเขาไม่เห็นมามองก็พยายามเดินไปให้เขาอยู่ในสายตาของเขาบ้างอยู่ในสายตาตรงๆก็กลัวเขาจะจับได้อยู่หางตาก็ยังดีอะไรเงี้ยมันมีการปรุงบิดเบือนสภาวะไม่ยอมรับความจริง บิดเบือนเลยไม่เห็นของจริงมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆปรุงทีไรไม่เป็นความจริงสักทีแต่ถ้ารู้ทันว่ามีการปรุงเกิดขึ้นสภาวะของความปรุงอันนั้นคือสังขารเลยนะสังขารขันเนะี่ยคือความจริงการปรุงแต่งต่างๆถ้ารู้ทันว่ากําลังปรุงแต่งอยู่นั่นคือความจริงมันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงอันนั้นคือความจริงหลงไปแล้วมีราคาด้วยราคะอันนั้นคือความจริง หลงไปเลิกมีโทสะด้วยโทสะนั้นคือความจริงถ้ากโกรธโกรธใครดีโกรธคนนี้คนเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยไอ้ไม่ได้เรื่องเนี่ยยังไม่จริงยังไม่แน่ว่าจะจริงหรือเปล่าเขาจะเลวหรือเขาจะเลวมากหรือเลวที่สุดยังไม่แน่ทําไมมีแค่สาม ร, ระดับนี่ไม่มีดีบ้างเลย <laughs> เขาจะเป็นอะไรยังไม่แน่แต่โกรธแล้วจริงๆสภาวะคือความโกรธเกิดขึ้นแล้วจริงจร แต่เขาเลวหรือเปล่ายังไม่แน่แขวนเอาไว้ก่อนเวลามีความโกรธอย่ามัวแต่ไปมองว่าเขาเลวให้ดูว่าสิ่งที่เกิดจริงจริ ง, ร ง, รงคือเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกิเลสเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่ต้องไปไปอะไรไปบิดเบือนยอมรับตรงๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปไปฏิเสธว่าฉันเป็นคนดีไม่มีกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ไปตรงๆว่ามีกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตคือดูว่า ราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันราคะดับไปให้รู้ทันโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันโทสะดับไปให้รู้ทันจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะราคะดับให้รู้ว่าราคะดับจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโทสะดับให้รู้ว่าโทสะดับจิตมีโมหะให้รู้ว่าจิตมีโมหะโมหะดับไปให้รู้ว่ามีโมหะนันดับไปจิตฟุ้งซ่านเคยฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านคิดสเปสสปะก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านกับไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็คือตอนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะคิดถึงเรื่องราวแต่ตอนที่มีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านคือรู้ว่าจิตนี้มันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านถูกดูแต่ตอนฟุ้งซ่านไปดูอย่างอื่นคิดเรื่องอื่นตอนมีโทสะ จ, จริงไปดูคนอื่นตอนรู้ว่ามีโทสะดูโทสะดูจิตว่ามีโทสะโทสะกับจิตมันจะแยกออก จิตเป็นผู้ดูโทสะถูกดูตอนมีโทสะกูนี่แหละดูมันเร็วก็ใจไหมตอนมีราคะตอนนี้กูชอบเขาตอนรู้ว่ามีราคะราคะถูกจิตดูสภาวะมันจะถูกแยกออกมานะมีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูตอนที่เผลอมันจะมีกูดูเขาตอนที่มีสติรู้สภาวะ ดูโทสะจิตดูราคะจิตดูความหลงคือโมหะจิตดูความฟุ้งซ่านจิตดูความหดหู่มันจะแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งหนึ่งทำงานไปอีกสิ่งหนึ่งดูอยู่อันนี้จะแสดงความจริงความจริงจะแสดงของจริงสภาวะจริงๆให้จิตดแูแรกจะรู้แค่ตัวสภาวะ ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวที่เราเรียกว่าให้รู้ตัวให้รู้ตัวเนี่ยนะคือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเรียกข้าวคาไปก่อนว่ามีสติแต่ยังไม่ใช่สัมมาสติแท้แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วมันจำเมื่อก่อนจำว่าใหญงนั่นไม่ดีใหญ่นี้ไม่ได้เรื่องแต่คราวนี้จาว่าราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงเห็นสภาวะจริงๆเห็นแล้วจาเห็นแล้วจา จำไว้จำไว้จำไว้จนมีสักขณะหนึ่งที่มันพอจำได้จนสเสถียรมีความสเสถียรในความจำพอมันมีสภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นอีกรู้ได้โดยที่ไม่ตั้งใจเรียกว่าเกิดสัมมาสติคราวนี้เหมือนกับไม่ได้แงะผุดขึ้นมาเห็นทักได้เลยมันไม่พูดด้วยนะไม่พูดแต่ไม่ต้องแกล้ง สภาวะนั้นพอแล้วมันจะพอเองนะพอเองคราวนี้พอเห็นแล้วเนี่ยเห็นสภาวะมันมีราคะอะไรบ้างมีโทสะมีโมหะยังไงบ้างแล้วเนี่ยให้เพิ่มอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าสมาธิหรือจิตตั้งมัน่นรู้จักสภาวะแล้วว่าราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงโมหะเป็นยังไงเรียนรู้ว่ามันทางานเองมันทางานเองด้วยวิธีไหนเช่นนั่งน่งอยู่ ได้ยินเสียงจิตไหลไปหาต้นเสียงลืมตาอยู่สนใจอะไรจิตหาไปสิ่งที่รงังกําลังมองแต่ถ้าอยู่ๆจะดูเห็นว่ามันไหลเนี่ยไม่เห็นเพราะจิตมันไหลยอยู่แล้วจิตมันแกว่งไปแกว่งมาเลื่อนไปเลื่อนมาเคว้งไปเคว้งมาอยู่แล้วเพราะมันเคว้งอีกไม่รู้เพราะฉะนั้นให้มันมีที่อยู่ก่อนกายนี้เป็นปกติแล้วก็คือเป็นที่อยู่ของจิตเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ให้มันเป็นที่อยู่ก่อน เช่นบางคนถนัดดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูที่จ้องจมูกก็ได้หรือจะดูที่ท้องก็ได้บางคนถนัดดูเล็บก็ดูเล็บก็ได้ดูผมก็ดูผมก็ได้แล้วแต่ว่าตัวเองชอบดูอะไรจิตนี้ชอบดูอะไรอยู่กับอะไรในร่างกายนี้แล้วมีความสุขถ้าไม่เคยฝึกเลยก็ขอแนะนําดูลมหายใจเห็นร่างกายนี้หายใจหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขไหมมีความสุขหมมีนะ หายใจออกมีความสุขไหมมีหายใจเข้านานๆสิจึงจะทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าไม่ออกน่ยทุกข์หายใจออกไม่เข้าเนี่ยทุกข์แต่ถ้าเพิ่งหายใจเข้าเมื่อกี้นี้นานๆแล้วต้องการหายใจออกเพราะหายใจออกไปแล้วมีความสุขหายใจออกไปแล้วนานแล้วต้องขอสูตรลมเข้าซะบ้างพอสูตรลมเข้าไปมีความสุขแรกๆเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะแรกๆให้ดูว่าหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลาย สดชื่นหมเวลาหายใจเข้ายิงมันสดชื่นนะมันสูดลมเข้าไปสดชื่นทําไม่ออกเนี่ย อ, อึดอนะัดแล้วพอออกไปผ่อนคลายเป็นสภาวะปกติเลยที่เราหายใจแล้วมีความสุขแต่เราลืมเรามีความสุขทุกลมหายใจอยู่แล้วพอมีความสุขกับการดูลมมันจะดูได้นานฝึกดูลมด้วยความสุขอย่างนี้เรียกว่ากําลังทำสมถะสมถะวิธีทำก็คือ น้อมจิตไปหาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ไม่เป็นอกุศลอย่างมีความสุขทำไมต้องมีความสุขเพราะบอกแล้วว่าจิตรู้อารมณ์ใดที่มีความสุขมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานจิตเนี่ยเป็นสภาพที่รู้อารมณ์แล้วชอบหาความสุขเราชอบหาความสุขไหมชอบหาความสุขไหมปกติเลยเรารังเกียจทุกชอบสุขรังเกียจทุกจิตนี่แหละเป็นอย่างนั้น ถ้าดูแล้วมันไม่มีความสุขมันจะไปหาอย่างอื่นดู <laughs> ถ้าดูนี้แล้วไม่มีความสุขมันจะไปหาอย่างอื่นดูถ้าคิดนีสสิงนี้แล้วไม่มีความสุขมันจะหาเรื่องอื่นคิดถ้าเราดูลมหายใจหรือเห็นร่างกายนี้หายใจอย่างมีความสุขได้เราจะมีสมาธิสงบไม่ฟุ้งซ่านกับการที่ดูร่างกายนี้หายใจดูไปดูไปจะเห็นสิ่งหนึ่งเห็นสิ่งหนึ่งคือ มีความเผลอเป็นปกติใช่ไหมเราเผลอดูลมหายใจแล้วเผลอมีอะไรกลัวนหน่อยเผลอหรือหมดกำลังหน่อยมันก็เผลอตอนรู้ว่าเผลอแค่รู้ว่าเผลอมีสติตอนเผลอเนี่ยถ้าเผลอไปฟังถ้าเราเห็นทันตอนที่มันไหลไปรู้ทันตอนไหลได้สมาธิแบบจิตตั้งมันเพราะอะไรเพราะตอนไหล มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันไหลมันแสดงความไม่ตั้งมั่นพอรู้ทันว่ามันไหลไปรู้จิตพอดีไม่ได้รู้จมูกไม่ได้รู้ไอ้ต้นเสียงมันรู้จิตพอดีตั้งมั่นพอดีถึงฐานพอดีคขาด้ินคานี้ไหมถึงฐานฐานคือจิตนะเขาในการว่าอาศัยกายนี้เป็นฐานก่อนแล้วพอรู้ว่าจิตมันไหลไปมันรู้จิตพอดีขณะนั้นตั้งมั่นแวบหนึ่ง รู้ไหลอีกตั้งมั่นอีกหลอีกรู้อีกตั้งมั่นอีกดูบ่อยๆดูนี้บ่อยๆจิตตั้งมั่นเพราะรู้ว่ามันไม่ตั้งมัน่นจิตมีสติเพราะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีสติ <c oughs> วิธีฝึกนะไม่ใช่เป็นมัวปั้นแต่งสติไม่ใช่มัวปั้นแต่งจิตให้ตั้งมัน่นเ <c oughs> ผลอไปรู้ทันได้สติไหลไปรู้ทันได้จิจตตั้งมัน่นนี่นะสร้างอุปรกรณ์สองตัวนี้บ่อยๆแล้วไม่ต้อง แกล้งว่ามีสตินานหรือตั้งมั่นนานให้มันมีกิเลสไปแล้วรู้ทันมันจะได้สติถ้ารู้สึกว่าฉันยังไม่มีกิเลสเลยอันนี้น่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะถ้ารู้สึกว่าฉันตั้งมั่นมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันให้มันหลไปบ้างแล้วรู้ทันเผลอไปบ้างแล้วรู้ทันนี่นะเผลอไปแล้วรู้ทันว่าเผลอได้แต้มแต้มบวกบวกเยอะด้วย ให้เผลอไปเนี่ยลบลบคะแนนหนึ่งพอรู้ว่าเผลอได้บวกหลายคะแนนเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขออภยัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่เกินเจ็ดปีทั้งทั้งที่หลงมาตลอดสังสารวัฏนะนับชาติไม่ทวนนะไอ้หลงเนี่ยนะนับชาติไม่ทวนแต่พอเจริญกุศลด้วยการเจริญสติปัฏฐาน เจ็ดปีแสดงว่ากำลังของกุศลในการเจริญสติเนี้ยแรงแรง ม, มันมันคุ้มมันคุ้มที่จะฝึกใช่ไหมแต่มัวสร้างบุญตัวอื่นนะนะไม่พ้นด้วยไม่พ้นจากเกมยังอยู่ในภพทั้งสามแต่ถ้าเจริญสติได้คะแนนแบบใหม่คะแนนที่จะพ้นจากภพนี้ไป คะแนนพ้นจากการเกิดการตายเวียนเกิดเวียนตายเล่นเกมไม่เลิกเนี่ยเกมไม่โอเวอร์สักทีมันโอเวอร์เล็กๆแต่มันมีเกมใหญ่ครอบอยู่เนี่ยนะถ้าเราเบื่อเบื่อเกิดเบื่อตายเล่นเกมนี้ด้วยวิธีสร้างอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์นี้นะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนนะทำไม่เป็นหรอกพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อมาสอนตัวนี้ ท่านจะตัดสรู้ได้เป็นพระสาวกเมื่อเสีสยสงไข่กระแสกลับที่แลก็ได้แต่ท่านสร้างบารมีมาเพื่อรู้เองแล้วก็มาสอนต่อหลักใหญ่ๆที่จะสอนพวกเราพระองค์ตรัสอยู่ในสติปัฏฐานสูตรว่าทางนี้เป็นทางเอกทางเดียวทางเอกหมานถึงทางเดียวทางจะพ้นทุกข์หรือพ้นจากเกมนี้ทางเดียวจเจริญสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นทางที่ต้องไปคนเดียวคือพ้นไปแล้วไปดึงคนอื่นกลับไปด้วยไม่ได้ออกไปด้วยไม่ได้ทำเองถึงเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้อย่าว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้นะทำเองสอนได้บอกได้แต่ต้องทาเองจเจริญสตินี้ขึ้นมาเองทาเอง อุปกรณ์เหล่านี้สติสมาธิอย่างนี้หรือปัญญาที่จะแยกธาตุแยกกันต้องทำเองฝึกเองเป็นทางสายเอกคือทางเดียวเป็นทางสายเอกคือไปคนเดียวเป็นทางสายเอกคือไปแล้วไม่กลับมาอีกรู้สึกยังไงว่าพอบอกว่าไปแล้วไม่กลับมาอีกถ้าคนเบื่อเกมจริงจะดีใจว่าฉันได้ทางออกแล้วทางออกจากเกมนี้ถ้าคนยัง อ, ไอาไยอวรอยู่เล่นเกมต่อไป ถ้าคนเขา้าอวยพรว่าจงอย่าผุดจะเกิดให้ดีใจนะเราจะได้ออกจากเกมแต่ถ้ายังผุดยังเกิดอยู่มันอยู่ในภพทั้งสามนี่แหละวนไปวนมาแล้วบอกแล้วว่าความน่ากลัวคือเกิดใหม่มักจะลืมเกิดใหม่มักจะลืมวิธีที่จะออกจากเกมนี้พระเจ้าแสดงไว้แล้วจเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางเดียวเป็นทางสายเอกไปคนเดียวเป็นทางสายเอกคือ ไปแล้วไม่กลับไปแล้วถ้าเข้าทางได้จะพ้นทุกอย่างเดียวคือไม่กลับมามีทุกข์อีกถ้าบอกว่าไม่กลับมามีทุกข์อีกหน้าไปไหมจ <c oughs> ักอยากไปแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าไปแล้วไม่กลับไปแล้วไปรับไม่กลับมาเอไปไหนว่า <c oughs> ไม่รู้นะแต่บอกว่าไปแล้วไม่กลับมามีทุกข์อีกนี่คือความหมายของเอกายนามก็คือนิยามของการฝึกสติปัฏฐาน ทำไมจึงสอนสติปัฏฐานทำไมพระพุทธเจ้าจึงย้ำสติปัฏฐานเพราะเป็นเอกาญามักทางสายเดียวที่พ้นทุกไปคนเดียวและไปแล้วไม่กลับมามีทุกข์อีกถ้าไปแล้วกลับมามีทุกข์อีกอย่าไปแสดงว่าทางนั้นไปแล้วไม่คุ้มกลับมามีทุกข์อีกแต่ทางเนี้ถ้าจิตมันฉลาดแล้วไม่กลับมาโง่อีก จิตะมีปัญญาต่อเมื่อเจริญสติเจริญสมาธิเห็นสภาวะนั้นแสดงความจริงคือมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเห็นซ้ําๆมีเกิดมีดับเห็นสภาวะมันแสดงอาการของจริงการแสดงอาการของจริงเรียกว่ามันแสดงลักษณะของสภาวะนั้นเราจะเห็นลักษณะของมันซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาจนจิตมันฉลาดสรุปออกมาว่าไม่เที่ยงสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับหรือ บางทีก็สรุปมาเป็นปัญญาของตัวเองว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้ไอ้ความอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยอธิบายเป็นภาษาพวกเราก็มันเป็นทุกมีทุกลักษณะลักษณะที่มันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปมันอยู่นิ่งไม่ได้เคยอตมาเคยเด็กๆอยู่นิ่งไม่ได้จะถูกผู้ใหญ่ดุว่าอยู่ไม่สุขเคยถูกว่าไหมอยู่ไม่สุขตรงนะ ถ้าอยู่สุขได้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งนิ่งไอ้อยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยแกว่งขาไปแกว่งขามาเขี่ยกระมังเสียงดังเลยนะถูกดุกิดอยู่ไม่สุขเลยตอนนั้นไม่เข้าใจเราก็ว่าเขี่ยกระมังมีความสุขเ <c oughs> <laughs> พิ่งมาเข้าใจไม่นานนี่แหละว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้อยู่นิ่งไม่ได้นี่แหละมันไม่สุขจริงๆถ้าอยู่นิ่งได้เขาเรียกว่ามีสุข แต่ถ้าถูกบีบคั้นให้มันเปลี่ยนไปคือมีทุกข์เพราะนั้นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นทุกข์คนจะเข้าใจตรวนี้ได้เนี่ยนะต้องเจริญสมถะก่อนจะเห็นตัวนี้ง่ายส่วนทั้งเจริญสมาถะหรือเจริญวิปัสสนามาควบคู่กันไปเนี่ยสุดท้ายจะมาเห็นตัวอนัตตามันไม่ใช่เราพอเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเกิดปัญญาตรงนี้คราวนี้เข้าสู่ทาง แล้วไม่กลับมาอีกบางคนเห็นแล้วเห็นแค่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ยังยึดอยู่ยังอร่อยมีปัญญาเข้าใจมีสัมมาทิฐิเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ยังอร่อยอยู่ยังอยากกินอยู่ยังอยากยังสนุกกับการอยู่ตรงนี้ทั้งๆที่เข้าใจแล้วนะแต่ยังติดเรียกว่ายังมีอุ ป, ปาทาน ยังยึดอยู่จนเข้าใจแล้วว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆจิตมันจะทิ้งเองถ้าทิ้งตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแต่บอกไปตามตำราไปก่อนว่าถ้ามีปัญญาเห็นขันท่านี้เป็นทุกข์จิตมันจะทิ้งขันไปเองแล้วจะมีสภาวะใหม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์มีขันอยู่แต่ไม่เจือทุกข์ด้วย มันเป็นสภาวะที่แปลกหน้าไปน่าเป็นถ้าอยากพ้นจากเกมชีวิตถ้าอยากพ้นจากเกมชีวิตนะฝึกสติรู้สภาวะให้สภาวะแสดงความจริงฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นตอนจิตตั้งมั่นมันจะยิ่งเห็นความจริงเพราะสภาวะทั้งหลายมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่จิตเห็นอยู่จิตไม่ไหลาตามยิ่งเห็นลักษณะของสภาวะทั้งหลายได้ชัดเจน ถ้าทำทั้งสติทั้งสมาธิแล้วมันยังไม่เจริญปัญญาสอนมาหน่อยก็ได้เวลาเห็นเห็นไหมกายเนี่ยหายใจอยู่พอจิตมีสตินะเห็นกายจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันเวลาเห็นกายนะะเห็นกายหายใจมันจะเห็นเหมือนเป็นก้อนนะสักก้อนหนึ่งกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาตามแรงของลมมันเหมือนอะไรที่ไม่ใช่เราพอเผลอรวมเป็นเราอีกเวลานั่งปนาน เจ็บไหมเมื่อยไหมเจ็บเมื่อยนี่เป็นเวทนาถ้ามีรู้สึกว่ากูเจ็บกูปวดกูเมื่อยอันนั้นไม่มีสติเพราะเห็นเวทนาจิตกับเวทนาแยกออกจากกันเวทนาถูกจิตดูคราวนี้เวทนากับจิตแยกออกจากกันเวทนาก็ไม่ใช่กายและเวทนาก็ไม่ใช่จิตถูกดูอยู่นา ม, มาทำถูกแยกมาเป็นสองอย่างปวดเมื่อยแล้วก็ยังไม่หายสักทีทำยังไงดีือจะหายคิดคิดคิ ด, คด ฟุ้งซ่าน ก, นกระบวนการวายความคิดฟุ้งซ่าน ก, นกระบวนการวายเรียกว่าสังขารขันเวทนาก็อันหนึง่งความคิดปรุงแต่งปั่นป่วนไปหมดเนี่ยเป็นสังขารไอตัวที่เห็นอยู่เรียกว่าวิญญาณแยกขันไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวหมายรู้เรียกว่าสัญญาอย่างไม่ต้องเรียนนะเพราะว่าสัญญาหลอกเราหลอกเรายัางไงหลอกว่าสวย ทั้งท่านที่ไม่สวยหลอกว่าเป็นสุภาพคือสวยทั้งท่านที่มันเป็นอสุภาหลอกว่ามีสุขทั้งท่านที่มันเป็นทุกข์หลอกว่าเป็นตัวตนทั้งท่านที่มันไม่มีตัวตนหลอกว่าเที่ยงทั้งท่านที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสัญญามันหมายรู้ผิดทั้งนั้นอย่าเพิ่งไปดูให้ดูถ้าจะดูให้ดูว่ามันหมายผิดอยู่มันหมายผิดอยู่พอเข้าใจไหมสงสัยตรงไหนไหม ถ้ายัางเลึกไม่ออกอยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกครึ่งวันสรุปถ้าเราต้องการเล่นเกมนี้ต่อระวังอย่าไปผิดสีห้าข้อไม่งั้นแล้วจะถูกทำโทษให้ไปเล่นเกมในที่อับอับร้อนร้อนแรงแรงเคยเล่นเกมในห้องสี่เหลี่ยมที่ผนังเป็นเหล็กเหล็กนั้นแดงฉาน หเห็นเหล็กแดงๆไหมไปเห็นไหมไม่ใช่ทาสีแดงนะแดงเพราะไฟเหล็กนั้นน่ร้อนจนแดงแล้วอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบลูกเต๋าไม่ใช่สี่เหลี่ยมสีด้านแล้วข้างบนข้างล่างคงโปร่งนะเป็นลูกเต๋าแล้วเราอยู่ในลูกเต๋าลูกเต๋าเหล็กไม่ใช่เหล็กดำเหล็กแดงแดงแบบร้อนจนแดงเป็นเรื่องเกณฑ์มานั้นเอาไหมแลวมันมีจริงนะก็เรียกว่าอเวจี G เอเวจีเอเวไปไว่าอะไรอเวไปว่าอะไรไปจีไ ป, ไ, ไ, ป, ไ, ปไปจากจีอเวจี G เป็นสาบาลีเป็นสภาพของนรกอันหนึ่งขุมหนึ่งที่สภาพเป็นกล่องลูกเตา๋าแล้วคนที่ทำผิดในโลกนี้หนักหนักเช่นพระเทวทัต คิดฆ่าพระพุทธเจ้าทำสงให้แตกกันยุให้เขาไปฆ่าพ อ, อยางไนะตายไปแล้วตกนรกตกนรกชื่อฝรั่งเอเวจีน่าไปไหมเอเวจีภาษาบาลีนะเป็นนรกขุมหนึ่งอยู่ในกล่องเหล็กแดงร้อนขนาดนั้นยังไม่พ อ, อเขากลัวดิน้นไปโดนเหล็กหลายแผล เขาก็เลยนรกนี่เขาก็มีเหล็กมาอีกเหล็กจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเสียบตั้งแต่รูทวารไปถึงกระหมอ่อมไม่ให้ดินซ้ายขวาจะได้ไม่ต้องออกแรงดินมากเสียบแล้วก็กลัวมือจะปายก็ตรึงมือไว้เสียบเข้าชายโครงขวาไปหาชายโครงซ้าย เสียไปอีกเสียไปเรื่อยๆจนไปไหนไม่ได้ตายไหมไม่ตายทนอะไรทําให้ทนผลของบาปตายก็ไม่ตายถ้าเป็นคนนะถูกเสียบทีแรกก็ตายแล้วใช่ไหมมันอย่าว่าจะอยู่ในกล่องนั้นนะถูกจิ้มนึนก็แย่แล้วไม่ทันร้องเลยตายก่อนแต่ผลของบาปนั้นรักษาเอาไว้แล้วเคยได้ยินแต่ว่าบุญรักษาใช่ไหมอันนี้บาปรักษา บาปรักษาให้ทรมานไม่ตายถ้าสลบไปเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาทรมานต่อมีข้อดีอยู่อย่างเดียวคือไม่ทำกรรมใหม่สเสวยจนหมดวิบากอันนี้แล้วได้เกิดที่ดีกว่านั้นข้อดีของนรกยังมีอยู่คือไม่มีโอกาสสร้างอากุศลกรรมใหม่ใครที่ คิดว่าอยากจะหาตัวช่วยทํำยังไงท่นจะไม่สร้างบาปด้วยวิธีนี้บ้างฉะนั้นต้องเตือนตัวเองต้องเตือนตัวเองอะไรที่จะทําผิดศีลห้าข้ออย่าทำนะทําให้เหมือนอย่างที่เล่านิทานไปเมื่อเชา้านะเตือนตัวเองสํารวมอินทรีย์ตาเห็นรูปเกิดกิเลสให้รู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วกิเลสจะดับ กิเลสไม่โตจนครอบงำเราแล้วไปทำผิดต่างๆทางกายทางวาจาแค่เกิดมาในใจระดับเกิดมาในใจรู้ฐานระดับเกิดมาในใจรู้ฐานระดับอย่างนี้นะดึกละต่อไปจะไปฝึกจําวัดมีอะไรสงสัยไหมไม่รีบจาหรอกสงสัยถามได้หรือฟังจนเพลินไม่รู้จะสงสัยตรงไหนสงสัยไหมสงสัยว่า โคสกะจะมีลูกหรือเปล่า mm hmm. ลูกจะมาทิ้งพ่อแทนอีกหรือเปล่าไม่ทิ้งแล้วเพราะว่าใช้ใช้หนี้กรรมไปแล้วถูกทิ้งกี่ท mm ีเจ็ดทีโคษกะเนี่ยนะต่อมาได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าคนเราเนี่ยเกิดเกิดไปเกิดมาเนี่ยนะถ้ากุศลให้ผล ก็จะไปเจอเนื้ออาบุญที่ดีเนื้ออาบุญที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกแล้วแต่ต้องการบุญแบบไหนถ้าต้องการบุญแค่ว่าให้ทานแล้วได้ผลบุญมากๆไปเจอพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าดีกว่าแต่ถ้าต้องการที่จะทําบุญแล้วก็ต้องการรู้ทางเราอาจจะเป็นลูกศิษย์ของพระอาหารหันตสาวก ที่ท่านสอนและเรารู้ตามได้เพราะพระอรันทสาวกเนี่ยจะเกิดเฉพาะในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่ไปเกิดคู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นยุคนี้จะไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าให้เราทําบุญจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายแล้วตอนนี้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทําบุญด้วยกาย เราจะทำบุญได้วิธีเดียวถ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติบูบชาพระเจ้าเนี่ยทรงสันเสริมเหมือนกันนะคนที่เอาของหอมเอาดอกไม้วันที่พระพุทธเจ้าจับป ร, รินทรพานเนี่ยเทวดาเอาดอกไม้ทิพโปรยมาจนลน้นอะไรล้นสวนจนมีคนหยิบเอาไปทำร่มเล่นดอกไม้ทิพเนี่ยนะใหญ่มาก ใหญ่ขนาดที่ว่าเอามาบังแดดได้เลยดอกเดียวพระรูปเจ้าก็ไม่สรนเสริญการบูชาด้วยวัตถุแบบนี้ทั้งๆที่เป็นทิพย์พระเจ้าสรรเสริญเฉพาะการปฏิบ <fact. c oughs> ัติบูชาเท่านั้นอานนุ์การบูชาด้วยของทิพย์เหล่านี้ก็ดีมีผลมากแต่เราไม่สรนเสริญเท่ากับบุคคลใดเลลึกถึงเราตถาคตแล้วปฏิบัติบูชา เราไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมารับอาหารไม่มีพระพุทธเจ้าที่มารับพวงมาลัยเรามีวิธีเดียวที่จะทําแล้วท่านพอใจปฏิบัติบูบชาทําสติให้เกิดทําสมาธิตั้งมัน่นแยกธาตุแยกขันให้เกิดปัญญาพอสมควรแล้วมั้งเนาะจบ